ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่มีที่ไหนเป็นฉบับสยามรัฐได้บอกแล้วว่าพระไตรปิฎกตัวแท้ตัวจริงของเดิมที่ถือเป็นมาตรฐานอ้างอิงได้เป็นที่สิ้นสุดคือพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่เรียกสั้นๆว่าพระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกบาลีนั้นเป็นฐานรองรับพระพุทธศาสนาเท ร, รวาทที่คนไทยนับถือจึงมีความสำคัญเป็นสมบัติที่รักษาไว้คู่ประเทศชาติอย่างที่เมื่อคนไทยเสียกรุงพระไตรปิฎกที่กรุงศรีอยุธยามอดไหมไปกับเมืองที่ถูกพม่าเผาพอพระเจ้าตากสินมหาราชกู้อิสรภาพตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงตั้งหลักได้แล้วก็โปรดให้รวบรวมคำภีพระไตรปิฎกจากหัวเมือง มาเลือกคัดจัดเป็นฉบับหลวงแต่ไม่ทันเรียบร้อยก่อนสิ้นราชการครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชแล้วส่งย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่กรุงเทพพอจัดการบ้านเมืองให้มั่นคงแล้วก็โปรดให้อารัธนาพระสงฆ์ประชุมทำสังคยาครั้งที่9แต่จะเป็นครั้งแรกของกรุงเทพเมื่อเสร็จการสังขยาแล้ว ได้โปรดให้คัดลอกสร้างเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงเรียกว่าฉบับทองใหญ่เดิมเรียกว่าฉบับทองทึบประดิษฐานไว้ในหอพระมูลเทียนธรรมเพื่อเป็นหลักของแผ่นดินสืบไปพระไตรปิฎกบาลีที่ทรงประดิษฐานไว้เป็นหลักของแผ่นดินนั้นสืบจากที่รักษากันมาด้วยอักษรขอมท่จารลงไว้ในใบลาน เวลาผ่านมาจนถึงรัชกาลที่หเป็นสมัยใหม่ที่มีการพิมพ์หนังสือเล่มแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดให้พิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเป็นเล่มหนังสือขึ้นครั้งแรก mm. เมื่อพุทธศักราช2431และเปลี่ยนจากจาร์ด้วยอักษรขอมมาพิมพ์ด้วยอักษรไทยแต่เสร็จเพียง39เล่มยังขาด6เล่มท้ายคือปัตาน จนกระทั่งต่อมาในรัชกาลที่7จึงทรงพิมพ์ให้ครบชุดละ45่เล่มเป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐสำทับความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นพระไตรปิฎกภาษาบาลีพิมพ์ด้วยอักษรไทยไม่ใช่ภาษาไทยคือเป็นภาษาบาลีแต่ใช้ตัวพิมพ์อักษรไทยอ่านผ่านอักษรไทย ไม่มีพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยมีแต่พระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐทีนี้ก็ย้อนกลับไปพูดถึงพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยดังได้บอกแล้วว่าในเมืองไทยเรานี้ก็มีท่านผู้มีความรู้ดีมีใจเกื้อกูลได้แปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาไทยมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพุทธศักราชสอ0ผ่านไป ก็ได้พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยหรือเรียกสั้นๆว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยจบครบชุดเป็นครั้งแรกจนถึงเวลานั้นในเมืองไทยพระไตรปิฎกบาลีที่เรามีก็คือพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐที่ได้เล่ามานั้นจึงเป็นธรรมดาที่ว่า พระไตรปิฎกภาษาไทยที่เรามีครบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2500ซึ่งต่อมาเรียกว่าฉบับหลวงจึงแปลกันมาจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐที่ว่านั้นจับให้ชัดว่าถึงเวลานั้นเรามีพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐแล้วก็ย้ำไว้ด้วยว่า พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐไม่มีในที่ไหนไหนและก็ไม่มีพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาไทยมีแต่พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฐไม่มีการแบ่งแยกเป็นพระไตรปิฎกไทยบาลีสยามรัฐกับพระไตรปิฎกบาลีบาลีสยามรัฐไม่มีพระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐภาษาไทยไม่มีพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐภาษาบาลีที่เป็นสยามรัฐนั้นมีอย่างเดียวคือพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐซึ่งจะเรียกให้สั้นก็ได้ว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะรู้กันอยู่แล้วว่าฉบับสยามรัฐมีแต่ภาษาบาลีอย่างเดียวใช้อักษรไทยจารึกแต่ไม่มีภาษาไทย